ทุกแกเนี่ยพวกเรารู้จักดีนะแล้วก็คงจะรู้จักต่อไปด้วยว่าเนี่ยุกแกนี่กลัวงเูเรียกว่าเจองูแล้วต้องหนีเลยทีเดียวแต่มีตุกแกตัวหนึ่งนะไปสู้กับงูนกัดงูไม่ใช่เพราะก็ถูกทำลายนะแต่เพราะว่างูได้ไปทำลายเพื่อนเขาทุกแกตัวนี้เห็นงูเนี่ยกำลังรัดเพื่อนของเขาอยู่ แทนที่จะหนีเอาตัวรอดนะก็เข้าไปช่วยเพื่อนช่วยด้วยการไปกัดหางงูไปกัดตามลําตัวแล้วกัดอย่างแรงเลยงูเนี่ยนะครักำลังลัดเพื่อนอยู่นะเพื่อนตุ๊กแกเจอตุ๊กแกตัวนึงมากัดเนี่ยก็ต้องหันมาสู้นะกับตุ๊กแกตัวที่กําลัง กัดหางเขาแต่สู้ไงก็สู้ไม่ถนัดส่วนตุ๊กแกนี่ก็ไม่ยอมแพ้นะนอกจากพยายามหลบหลีกงูตัวที่พยายามฉกใส่ตัวแล้วเนี่ยนะก็ยังหาทีเผลองูเผลอเมื่อไหร่ก็ไปกัดหางไปกัดลำตัวงูที่แรกก็ทนนะเพราะว่า เองูที่ตัวเองเนี่ยรัดเอาไว้นี่มันก็เป็นอาหารเรียกว่าอยู่ได้หลายวันทีเดียวแต่สุดท้ายนี่ก็สู้ไม่ไหวนะสู้ตุกแกตัวที่มากัดหางกัดลําตัวค่อไม่ได้แล้วงูก็รู้ว่าวิธีที่จะอยู่รอดเอาตัวรอดได้คือต้องคลายคลายตุกแกตัวที่กําลังรัดอยู่เพื่อจะได้หนี เพราะถ้าไม่ไม่คลายก็หนีไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่หนีก็เจ็บตัวสุดท้ายทุกแกตัวที่ถูกงูรัดก็รอดตายนะเพราะทุกแกตัวนี้เนี่ยตัวที่ไปช่วยเพื่อนนี่นี่ก็เรียกว่ากล้านะเพราะธรรมชาติตุกแกมันกลัวงูอยู่แล้วแต่นี่เข้าไปสู้กับงูเลยเพราะอะไรนะเพราะว่าอยากช่วยเพื่อน เรียกว่ายอมเสี่ยงอันตรายสันเนี่ยเขาถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเขาก็จะมีน้ำใจนะเวลาเพื่อนเขาไม่ใช่เฉพาะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่นะแต่เป็นเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดตกอยู่ในอันตรายเขาก็ช่วยนะและวิธีช่วยเขาก็บางทีเราก็นึกไม่ถึงนะอย่าง มีหมาสองตัวเนี่ยเล่นเดินเล่นอยู่บนสะพานอีกตัวนึงก็คงเป็นตัวเด็กๆ ก, กันนะยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไปเดินอยู่บนสะพานอยู่ดีๆก็ตกลงไปนะในคลองแล้วมันก็ตกใจนะทำอะไรไม่ถูก อีกตัวนึงเนี่ยก็ดูจะอาวุโสกว่านะแล้วก็คงจะมีประสบการณ์ก็พยายามช่วยนะตัวดําที่ตกอยู่ในน้ําตัวขาอันนี้ที่พยายามช่วยเนี่ยก็เขาก็พยายามที่จะงับสายจูงนะที่มันผูกกับตัวดําเอาไว้ดูไปเราก็ยังไม่รู้นะทำไมเป็นงับพยายามงับสายจูง ของเพื่อนที่ตกอยู่ในน้ำเพื่อนสภาเนี่ยมันก็ไม่สูงมากนะเพราะนั้นเนี่ยตัวขาวนี่ก็สามารถที่จะก้มแล้วก็ไปงับเอาสายจูงได้แต่ก็งับไม่ได้นะเพราะว่าตัวดํมันก็ไม่ยอมอยู่นิ่งตัวขาวที่พยายามช่วยเนี่ยก็งับสายจูงเท่าไหร่ก็งับไม่ได้ ทำยังไงนะถึงจะช่วยเพื่อนได้มันก็วิ่งไปที่ปลายสะพานนะแล้วก็ไปที่ตะลิ่งแล้วก็โดดลงน้ําเลยว่ายไปหาเพื่อนแล้วก็งับสายจูงเพื่ออะไรเพื่อลากเพื่อนเนี่ยเข้าฝั่งเพื่อนเนี่ยไม่ได้คิดถึงฝั่งเลยนะคิดถึงว่าจะขึ้นสะพานยังไงแต่มันขึ้นไม่ได้แล้วแต่ถ้าอาจจะมีเพื่อนอีกตัวเนี่ยคอยดึง ขึ้นมาจากน้ําก็เป็นไปได้แต่ว่าเพื่อนนี่ก็ไม่สามารถจะ ง, งับสายจูงได้ก็เลยต้องลงน้ำนะแล้วไปลากเอาสายจูงไปงับสายจูงแล้วก็ลากเพื่อนเนี่ยขึ้นฝั่งพอเพื่อนขึ้นฝั่งได้ก็ปลอดภัยอันนี้ก็เรียกว่าหมาตัวนี้เนี่ยน้อยมีน้ําใจแล้วก็ยังมีความฉลาดด้วยรู้จักคิดว่าเมื่อเพื่อนตกอยู่ในอันตรายจะช่วยเขายัางไทงทําไงจะ ให้ขึ้นจากน้ำได้จะขึ้นมาบนสะพานไม่ได้ก็ขึ้นฝั่งแทนนะมีวิชายหนึ่งเล่านะขับรถอยู่ถนนเนี่ยมันก็เป็นถนนที่เลียบผ่านอุทยานเป็นถนนแคบๆนะประมาณสองเลนขับไปอยู่ดีก็ไปเจอหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งมันขวางทางเอาไว้ แล้วมันไม่ได้ขวางเป่าๆนะั้นมันก็เดินวนรอบเป็นวงกลมมันเดินวนรอบเป็นวงกลมคนขับรถก็แปลกใจว่ามันหมาจิ้งจอกตัวนี้เขาต้องการอะไรปกติหมาจิ้งจอก น, นี่มันกลัวคนนะมันเจอรถมันก็หนีแต่นี่ไม่ยอมหนีนะกับขวางรถเอาไว้แล้วก็เดินเป็นวงกลมสุดท้ายเนี่ยคนขับรถต้องลงมาจาับรถ แล้วก็เดินไปที่จิงจอกตัวนั้นจิงจอกนี่พอมันเห็นคนเดินมานี่โอ้มันวิ่งเข้าป่าเลยนะไม่ได้หนีนะมันพยายามนํานําคนที่จอรดรถเนี่ยเข้าไปในป่าเพราะมันไม่ได้วิ่งเร็วนะมันก็วิ่งพอจิ้งระยะห่างจากคนคนก็พอรู้แล้วว่าเนี่ยสงสัยจิงจอกตัวนี้กําลังส่งสัญญาณ ขอความช่วยเหลือพอเดินตามไปไม่ไกลนะก็เจอจิงจ่อยตัวหนึ่งนะถุงมัดอยู่สนงะสายติดติดบ่วงติดบ่วงนะเขาก็เลยพยายามช่วยนะพยายามตัดตัดเชือกที่เป็นบ่วงรัดตัวของจิงจอกตัวนั้นส่วนจิงจอกตัวแรกนี่ก็อยู่ยห่างนะอยู่ห่า ง, างแต่ก็ไม่ไกลมากคอยเฝ้าดู ว่าเพื่อนของตัวเนี่ยซึ่งไม่รู้เป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นคู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกก็ได้นะ ก, ก็ไม่รู้คอยเฝ้าดูว่าชายคนนั้นจะช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าไอ้ตัวที่ถูกบวงรั้นเนี่ยนะทีแรกก็กลัวคนนะนเหมือน้คนนี่มันก็ตื่นตกใจแต่ตอนหลับก็รู้ว่าคนนี่มาช่วยนะมันก็เลยไม่ดิ้นนะแล้วก็ไม่กัดด้วยนะยอม ยอมให้คนเนี่ยตัดเชือกอคนนั้นก็เพิ่อนมีมีดมาด้วยมีดพกนะก็เลยค่อยๆตัดเชือกสุดท้ายเนี่ยเชือกก็ขาดจริงจอตัวนั้นก็เป็นอิสระเพื่อนมันก็ดีใจมากเลยนะเรื่องนี้ก็น่าคิดนะจิงจอกเนี่ยเห็นเพื่อนเนี่ยลาบากมีน้ำใจอยากจะช่วยแล้วก็ มีความฉลาดพอที่จะรู้ว่าจะช่วยยังไงก็คือต้องหาคนมาช่วยนะมันเกินวิสัยจริงจอกต้องอาศัยคนและจะให้คนนี่มาช่วยยังไงก็ต้องขวางทางขวางถนนเอาไว้ขวางถนนไม่พอนะก็ต้องทำสัญญาณตามประสาก็คือ <c oughs> เดินรอบไอ้ที่เดินรอบนี่อาจจะเป็นพาความกลวนกนะวายก็ได้นะแต่ว่า มันก็ทำให้คนเนี่ยผิดสังเกตแล้วก็รู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติมันถามว่าจิงจอมันเรียนรู้ได้ยังไงในะวิธีการที่จะเรียกคนมาช่วยหรือคิดได้ยังไงว่าคนนี้จะช่วยได้นะอันนี้ก็เรียกมาต้องมีหัวคิดนะต้องมีสมองและมีสมองนี้ไม่พอต้องมีน้ำใจแลวมีความกล้าด้วยเพราะถ้าไม่มีความกล้านี่ไม่มีทางที่จะมาวางถนน หรือว่าเรียกให้คนลงมาช่วยได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่สัตว์ที่มีน้ําใจกเพราะเฉพาะพวกเดียวกันหรือว่าสัตว์พันธุ์เดียวกันนะบางทีต่างพันุ์นี่มันก็ช่วยกันนะหลวงพ่อพมังเช่นเคยเล่าเนี่ยแถวสารากไกเนี่ยเคยมีงูเนี่ยมันมามันมารัดหนูตัวหนึ่งอยู่บนพื้นนะไม่หนูตัวนี้ไม่โดนงูรัดยังไงก็ไม่รู้นะ มันก็ร้องของเสียงร้องมันกำลงังจะตายแล้วบอกว่ามีกระรอกตัวหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงร้องของหนูตัวนี้นก็มาเลยนะลงมาจากต้นไม้เลยมาทำอะไรนะมาช่วยเพื่อนช่วยยังไงนะก็ช่วยกัดหนูให้ช่วยกัดงูกระรอกเนี่ยนะปกติมันก็กลัวงูนะแต่คราวนี้มันไม่กลัวแล้วมันก็จะไปกัดงู กัดตามหางมังกัดตามโ ค, คนหางมัง่งกับตามลําตัวมัง่งไอ้งูมันก็สู้นะมันก็พยายามฉกก็รอกนะแต่ก็ลอกก็หลบพองูเผลอมัวไปสนใจหนูก็ลอกก็ไปกัดงูงูม่นต้องลาความสนใจจากหนูเนี่ยมาสู้กับก็ลอกทั้งนี้อยู่พักใหญ่เลยนะสุดท้ายเนี่ยงูมันรู้ว่าสู้ไม่ได้นะจำต้องปล่อย งูตัวนั้นจำจำต้องไปหนูตัวนั้นไปจะได้หนีเอาตัวรอดก่อนเดีย๋ยวน้นก็ไม่เจ็บตัวก็กลายเป็นว่าหนูก็ปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของสัตว์นะบ่อยครัง้งเราก็มองว่าสัตว์นี่มันไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกไม่มีความผูกพันแต่กิ้งสัตว์นี่มีนะมีน้ําใจนะมีความห่วงใยอยากจะช่วยเพื่อนไม่่าจะเป็นเพื่อนพันเดียวกันหรือต่างพัน แล้วมันก็มีหัวคิดด้วยนะว่าจะช่วยยังไงง น, นเวลาเราเราปฏิบัติต่อสัตว์เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นสัตว์เดราาัจฉานไม่รู้เรื่องอะไรนะหรือไม่มีน้ำใจที่จริงแม้จะเป็นสัตว์ปานี่ก็มีน้ำใจนะมีสิ่งที่เราเรียกว่าคุณธรรมก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันมีในมนุษย์จะเรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณก็ได้ความเมตตาความมีน้าใจหล่นทั้งความกล้าหาญ ก็ขนาดสัตว์ยังมีเลยเนี่ยแล้วเราจะไม่มีได้อย่างไรนะแต่บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยความคิดของคนเราโดยเพราะชอบคิดทรัพย์คิดซ้อนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยบางครั้งละเลยการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนบางทีเห็นคนนอนนะอยู่ข้างถนนเนี่ยบนริมถนนหรือว่าใกล้ที่จอดรถเนี่ย ก็มีหลายคนเดินผ่านไปผ่านมานะไม่คิดจะช่วยเลยคนที่เขานอนสบมล้มป่วยบางทีเราเห็นเราก็อยากจะช่วยนะแล้วก็หลายคนก็คงอยากจะช่วยนะแต่ทำไมไม่ช่วยนะอะไรเป็นเพราะคิดว่าเนี่ยกลัวว่าคนก็จะว่าเราบางทีเกิดความอับอายคนหนึ่งเขาไม่ช่วยนะเรามาช่วยนะจะทำตัวแปลกจากคนอื่น หรือบางทีก็มีข้ออ้างว่าฉันต้องรีบนะฉันต้องรีบไปประชุมฉันต้องรีบไปทํางานการที่คนเรามีสมองเนี่ยมันก็สรรหาเหตุผลหรือรวมทั้งข้ออ้างที่การที่จะไม่ช่วยหรือแม้แต่การคิดว่านี่เขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะแต่ว่าซึ่งอาจจะมีส่วนจริงนะแต่ว่าถ้าลองคิดสรงไหนว่าถ้าเกิดว่าเขาป่วยจริงละ่ะหรือเขาเดือดร้อนจริงละ่ะแล้วเราไม่ช่วยเขาเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา บางทีการที่คนเราเนี่ยมันมีหัวคิดมีสมองเนี่ยมันก็ทาให้ไปบดบังเมตตากรุณาความมีน้ำใจไม่ให้แสดงออกมา เ, เปิดช่องให้กับความเห็นแก่ตัวซึ่งสำหรับสัตว์แล้วเนี่ยเขาไม่มีสมองคิดซับคิดซ้อนมากเห็นเพื่อนเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเลยแล้วก็ใช้สมองที่มีเนี่ยในการช่วยเพื่อนนะไม่ใช่ใช้สมองเพื่อ สันหาเหตุผลในการเป็นข้ออ้างที่จะไม่ช่วยเขาช่วยไปเราก็เดือดร้อนเปล่ปาๆหรือว่าเดี๋ยวเขาคนเขาจะว่าเราบางทีก็เลยแก้งทาเป็นเมินนะคนท้องคนแก่ขึ้นรถไฟฟ้าบางทีหลายคนก็แก้งทาเป็นเมินนะดูโทรศัพท์แทนหรือว่าแก้งทำเป็นหลับอันนี้ก็เป็นอู่บายนะที่เกิดจากสมองนะที่ไม่อยากช่วยเพราะว่า กลัวทำตัวแตกต่างจากคนอื่นกลัวเสียหน้าหรือว่ากลัวอับอายซึ่งที่จริงไม่น่าอับอายเลยนะการช่วยคนแต่พอคนอื่นเขาไม่ทำถ้าเราทำก็ดูมันประหลาดนอันนี้ก็เกิดจากสมองที่คิดซับคิดซ้อนของมนุษย์นะที่ทำให้น้ำใจที่มันมีอยู่แล้วในสัญชตาตญาณนี้มันไม่แสดงตัวออกมาเป็นการช่วยเหลือหรือการเอื้อเฟื้อคนที่เขา เดือดร้อน